พระผู้มีพระภาคได้เสด็จจาริกไปในแคว้นกุรุพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงนิคมชื่อธุลโกตทิตะพรามและขหาบดีชาวนิคมนั้นได้สดับข่าวและเกียรติศัพท์อันงามของพระาศาสดาว่าเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะเป็นต้นทรงแสดงธรรมมีคุณงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์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 ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยประการทั้งปวงผู้ครองเรือนทำได้ยากฉไหนหนอเราพึงปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อคนทั้งหลายอื่นฟังพระธรรมเทศนากลับไปแล้วไม่นานรัฐบาลกุลบุทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลถึงความดำริของตนและขอบรรพชาอุปสมบทในสานักของพระพุทธองค์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 สิ่งใดเล่าจะมีอำนาจดึงลูกไปจากแม่ทั้งๆ ท, ที่เราทั้งสองยังมีชีวิตอยู่รัฐบาลกุลบรเฝ้าอ้อนวอนมารดาอยู่หลายครั้งแต่ท่านทั้งสองก็คงยืนกลานเช่นเดิมและกล่าวเพิ่มเติมว่าลูกเอ๋ยเชื่อแม่เถอะการบวชไม่ประเสริฐอะไรเลยถ้าลูกจะปรารถนาทำความดีอยู่ในคารวาสก็ทำได้และอาจทาได้มากกว่าเสียด้วยซ้าเพราะมีทรัพย์สินสมบัติ เป็นเครื่องอำนวยให้ทำความดีได้โดยสะดวกสมบัติของเราก็มีอยู่มากใช้ไปอีกกี่ชั่วคนก็ไม่หมดรัฐบาลกุลบุตรตอบว่าข้าแต่ท่านมารดาพูดถึงทรัพย์สินสมบัติซึ่งเรากรหยิมว่ามีอยู่มากนั้นเมื่อนำไปเทียบกับสมบัติบรมจักรหรือราชสมบัติของพระาศาสดาแล้วก็นับว่าเป็นส่วนเล็กน้อยเหลือเกินพระองค์ผู้มีสมบัติมากถึงปานนั้นยังสงสละออกผนวดได้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 ลูกได้ตัดสินเด็ดขาดแล้วว่าจะออกบวชให้ได้หรือมิฉนั้นก็ความตายลูกจะเลือกเอาอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้ถ้ามารดาบิดาไม่ปราถนาจะเห็นลูกในเพศบรรพชิตก็คงจะได้เห็นความตายของลูกเป็นแน่แท้ท่านทั้งสองะเหน้น้ำใจว่าเด็กหนุ่มยังรัฐบาลคงไม่ได้ตั้งใจอะไรจริงจังนักเพียงแต่ตื่นไปชั่วคราวแล้วคงจะกลับใจเอง จึงมิได้พูดอะไรอีกแต่ท่านทั้งสองเข้าใจผิดรัฐบาลกุรบุตรผู้มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วเป็นผู้มีพบสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรสามารถเหนี่ยวรังไว้ได้ประหนึ่งผลไม้ซึ่งสุกเต็มที่มีก้วเหี่ยวแล้วจะต้องลนอย่างแน่นอนเมื่อเห็นว่าไม่อาจเข้าใจกันได้โดยวาจาแล้วรัฐบาลกุรบุตรจึงตัดสินใจขออนุญาตมารดาบิดาด้วยการอดอาหาร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 ไม่ยอมอนุญาตให้รัฐบาลออกบวชท่านทั้งสองมาเฝ้าปลอบประโลมให้รัฐบาลบริโภคอาหารและหาความสุขยิ่งคนหนุ่มทั้งหลายแต่รัฐบาลก็ไม่ได้สนใจเลยมุ่งมั่นแต่บรรพชาอุปสมบทเท่านั้น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 อะไรเล่าคือความสุขทุกข์ของบิดามารดายิ่งกว่าได้เห็นบุตรตกระกรรมลาบากลูกดีเป็นความชื่นใจของพ่อแม่เป็นที่สุดรัฐบาลได้ยินคำอนุญาตของมารดาบิดาดีใจเป็นที่ยิ่งลุกขึ้นกราบท่านทั้งสองด้วยความเคารพรักและซาบซึ้งในพระคุณของท่านทั้งสองเขาบำรุงร่างกายให้มีกาลังพอสมควรแล้วจัดเครื่องอัฐบริขารเรียบร้อยแล้วออกจากเรือน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 เมื่อได้สําเร็จเป็นพระอระหันแล้วพระรัฐบาลระลึกถึงปฏิญญาที่ให้ไว้แก่มารดาบิดาจึงได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลลาไปเยี่ยมมารดาบิดาพระผู้มีพระภาคทรงตรวจ ด, ดูจิตใจของพระรัฐบาลทรงทราบว่ามีจิตใจมั่นคงไม่แปรปรวนแล้วจึงทรงอนุญาตตามความประสงค์ครั้นจาริกถึงถุลกฎทิตนิคมแล้ว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 สมณะศีสะโล้นพวกนี้แหละที่ชักนำเอาบุรสุดที่รักคนเดียวของเราไปบวชพระรัฐบาลไปยืนอย่างสำรวมอยู่ที่ประตูเรือนไม่ได้การต้อนรับไม่ได้อาหารได้แต่คำด่าว่าสีสีเท่านั้นท่านได้เดินกลับออกไปด้วยกิริยาสารวมทานองเดียวกับตอนที่เข้ามาจิตใจท่านได้พ้นจากความวั่นวาในโลกธรรมแล้วขณะที่พระรัฐบาลเดินออกไปภายนอกนั้น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 เห็นอาการของลูกเช่นนั้นก็มีน้ำตาหนองหน้ากล่าวว่าพ่อรัฐบาลคนอย่างพ่อโวนหรือที่มานั่งกินขนมโบตร์เรือนของท่านก็มีมารดาบิดายังมีชีวิตอยู่ฉนไหนจึงประพฤติเหมือนคนห่างเหินไม่รู้จักกันพระรัฐบาลเงยหน้าขึ้นหน่อยหนึ่งมองดูขหบดีผู้บิดาและกหปันนีผู้มารดาแล้วกล่าวว่าอัตมภาพ ลีกออกจากเรือนแล้วเป็นอนาคาริกามุนีผู้ไม่มีเรือนเมื่อเป็นดังนี้จักอ้างเอาเรือนใดเล่าเป็นของตนอันหนึง่งเมื่อสักครู่ใหญ่ที่ผ่านมานี้เองอัตมภาพได้ไปยืนที่ประตูเรือนของท่านแล้วไม่ได้การต้อนรับไม่ได้คําตอบได้แต่เพียงคําด่าว่าเสียสีเท่านั้นก็หา บ, บดีระลึกได้ถึงสมณะรูปหนึ่งซึ่งตนเห็นในขณะที่กําลังให้ช่างการระบบสางผมอยู่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 ทั้งหมดรวมกันเป็นของท่านแต่ผู้เดียวขอท่านได้บอกคืนสิขามาเป็นเครือัดใช้สอยทรัพ์สมบัติเหล่านี้และทาบุญตามที่ต้องการเถิดพระรัฐบาลมองดูกองเงินกองทองด้วยสายตาที่ไม่อาลัยไร้ความใยดีอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านบิดาทรัพ์สมบัติเหล่านี้อัตมภาพไม่เคยเห็นก็หาไม่ได้ อธตรมภาพเคยทราบและเคยเห็นตั้งแต่ก่อนออกบวชแล้วมันยังไม่สามารถเหี่ยรังอัตรมภาพไว้ได้ก็ฉหนเล่าบัดนี้อัตรมภาพจะมานิยมยินดีกับสิ่งที่ไร้สาระนี้บัดนี้อัตรมภาพได้รับสิ่งที่มีรสเลิศกว่าคือธรรมรสแล้วขอทรัพสมบัติเหล่านี้จึงเป็นของผู้ที่ต้องการเถิดอธตมภาพไม่ต้องการมารดาได้กล่าวขึ้นว่า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 ถ้ามันเป็นสิ่งมีประโยชน์แท้จริงแล้วฉไนจึงให้ความทุกข์แก่ท่านถึงปานนี้จริงอยู่ชาวโลกย่อมต้องอาศัยทรัพสมบัติลิขิตมันมีประโยชน์ต่อเมื่อรู้จักใช้แต่ถ้ามีมันแล้วยอมตนลงเป็นทาสของมันต้องทุกข์ร้อนวิตกกังวลด้วยทรัพสมบัติต่างๆไม่รู้จักสิ้นสุดแล้วจะมีประโยชน์อันใดถ้าโยมทั้งสองเดือดร้อนนะักเพราะเหตุแห่งทรัพสมบัตินี้ ก็ให้ขนไปทิ้งแม่น้ำเสียเถิดจะได้ปลอดโปรง่งเบากายสบายใจอันหนึ่งเล่าคนอนาถาไร้ที่พึ่งอดอยากแร้นแค้นในบ้านเมือง น, นี้ก็ยังมีมากนักถ้าท่านทั้งสองจะแจกจ่ายเอื้อเฟื้อให้แก่เขาบ้างชื่อว่าได้ทำสั์ให้เป็นประโยชน์ย่อมได้รับความชื่นสุขเป็นเครึ่งตอบแทนอัตมาภาพคิดว่าดีกว่าเก็บไว้เป็นกองพเนจอย่างที่เห็นอยู่นี้ซึ่งในที่สุด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 ต้องทิงไว้เป็นเดี่ยวของหมู่นอนและฝูงวิหกนกกาหรือมิฉะนั้นก็พระเิงบัด น, นี้ท่านทั้งสองอัญชรามาเยือนแล้วเหมือนใบไม้เหลืองจวนหล่นขอให้รีบทําที่พึ่งแกต้นเถิดเมื่อได้ฟังดังนี้พัญญาเก่าของพระรัฐบาลครําครวนก็ามาจับที่เท้าของท่านแล้วรำพันว่าท่านผู้เจริญ นางฟ้าทั้งหลายที่เป็นเหตุให้ท่านประพฤษพรหมจันท ร, ร์นั้นเป็นเช่นไรท่านจึงไม่สนใจใยดีต่อโลกมนุษย์เียเลยดูก่อนน้องหญิงพระรัฐบาลตอบนำเสียงแสดงความเป็นผู้ไม่มีอะไรเรามิได้ประพฤษพรหมจันท ร, ร์เพื่อต้องการนางฟ้าแต่ต้องการความบริสุทธิ์หมดจดจากความเศร้าหมองทั้งปวงเมื่อได้ยินดังนี้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 ดูก่อนคหาบดีถ้าจะพึงให้โพชนาแก่อัตมาภาพก็จงให้เถิดอย่าให้อัตมาภาพต้องลำบากเลยด้วยการเตือนนี้ทุกคนมีสติระลึกได้ว่าได้นิมนพรัฐบาลมาฉันอาหารที่บ้านมิได้นิมนมารับทรัพย์มรดกจึงช่วยกันถวายอาหารอันประนีที่ได้เตรียมไว้แล้วด้วยน้ำมือของตนของตน ร, รัฐบาลฉันอาหารเสร็จแล้วชักมือออกจากบาดแล้ว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 ครั้งนั้นพระเจ้าโกรพยะรับสั่งให้พนักงานรักษาพระราชอุทยานตกแต่งพระราชอุทยานให้สะอาดเรียบร้อยจะเสด็จไปทอดพระเนตรในขณะที่เจ้าพนักงานกำลังตกแต่งพระราชอุทยานอยู่นั้นได้เห็นพระรัชบานั่งอยู่โคนไม้แห่งหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าโกรพยะทูลให้ทรงทราบว่าบัดนี้พระรัฐบาลบุตรแห่งตระกูลผู้ดีในธุลโกติตนิคมนี้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 ไม่ยั่งยืนนั้นมีเนื้อความอย่างไรพระรัฐบาลอธิบายว่ามหาบาพิษเมื่อก่อนนี้เมื่อพระองค์มีพระชนยี่สิบก็ดียีห้าก็ดีทรงคล่องแคล่วในเพลงช้างเพลงมา้าเพลงอาวุธมากมิใช่หรือทรงมีกําลังแขนขาและความสามารถทางพระกายดีมากเคยทรงเข้าสงครามมาแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นท่านผู้เจริญพระเจ้ากรับพระยศทรงรับเดี๋ยวนี้เล่า เป็นอย่างไรมหาบพิตรโอ้พระกุนเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าแก่แล้วล่วงการผ่านไว้มาโดยลำดับแล้ววัยของข้าพเจ้าล่วงเข้าแปสิบแล้วแม้จะเดินเหินก็ไม่คล่องแคล่วเก้าผิดเก้าถูกอย่าว่าแต่จะออกสงครามเลยมหาบพิตรผู้อื่นเล่าถ้ามีอายุยืนถึงแป9สิบกิจะเป็นเหมือนพระองค์หรือไม่เหมือนกันพระุเจ้า บางคนยังไม่ถึงแ0สิบเลยแกงอมยิ่งกว่าเข้าไปเจ้าซิอีกมหาบพิตรพระรัฐบาลยำ้ำทรงเห็นหรือไม่ว่าโลกหรือสัตว์โลกทั้งหมดโน้มไปในชาราโน้มไปเอียงไปในชาราอัญชาราครอบนำย่ำยีไม่ยั่งยืนไม่ทนอยู่ได้นานเลยดูก่อนจอมชนชาวครุขความจริงมนุษย์และสัตว์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ก้าวไปสู่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 มหาปพิธพระองค์เคยทรงประชวนหนักหรือไม่เคยพระกุนเจ้าเคยบ่อยไปพระเจ้าโกรพยะทรงรับเมื่อข้าพเจ้าป่วยหนักนั้นญาติสาโลหิตวิตธรรมราชบริพานต่างก็มาห้อมล้อมอย่างใกล้ชิดบางคนวิตกว่าพระเจ้ากรพยะอาสวรรคคตบัดนี้แล้วมหาปพิรมีใครสามารถแบ่งทุกขเวทนาของพระองค์ไปได้บ้าง ไม่เลยพระคุณเจ้าขาพเจ้าต้องเสวยทุกขเวทนาไปเพียงผู้เดียวแม้ขพเจ้าจะปรารถนาความสุขสําราญหรือความหายโรคเพียงใดก็หาสําเร็จสมปรารถนาไม่จนกว่าโรคจะทุเลาลงด้วยโอสถอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละมหาบาพิษคือความหมายแห่งพระภาสิตที่พระศาสดาตรัสว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้เป็นใหญ่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 จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนั้นมีความหมายอย่างไรมหาบพิษบันนี้พระองค์ทรงเ อ, อิบอิ่มพรั่งพร้อมอยู่ด้วยกามคุณห้าเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วจะนำเอาทรัพย์สินสมบัติบรุษสตรีปราสาทราชวังไปในโลกหน้าได้หรือไม่ไม่ได้เลยพระกุญเจ้าต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นหรือให้เป็นสมบัติของโลกต่อไปมหาบพิษนี่แลสัตว์โลกไม่มีอะไรเป็นของตน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 สัตว์โลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปราชันโผคสมบัติทั้งหลายละทิ้งบุคคลไปก่อนเพราะแตกทำลายบ้างบุคคลละทิ้งโผคสมบัติไปก่อนในเพราะความตายบ้างรู้ดังนี้แล้วจึงไม่ควรเศร้าโศกในเพราะความพัดพรากดวงจันทร์เต็มดวงบ้างว่าแหว่งบ้างมืดมิดบ้างฉันใดบุคคลในโลกนี้ก็ฉันนั้น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 พระกุญเจ้าข้อว่าสัตว์โลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มไม่เบื่อเป็นธาตุของตันหานั้นมีความหมายอย่างไรมหาบพิษบัดนี้พระองค์ทรงปกครองกุรุรัฐอันเจริญอยู่ถ้ามีราชบรุษ ท, ที่มีวาจาพอเชื่อถือได้มาจากทิศ ท, ทั้งสี่ของกุรุรัฐนี้กราบทูลว่าในทิศนั้นทิศนั้นมีชนบทใหญ่มั่งคั่งเจริญมีคนมากมีสัตว์ชนิดที่ฝึกแล้วมากมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเหลือเกิน ในชนบทนั้นมีสตรีปกครองพระองค์าอาจรบชนะได้ด้วยกําลังพนประมาณเท่านี้เท่านี้มหาบพิษ ท, ทรงทราบแล้วจะทำอย่างไรกพระเจ้าคิดว่าจะไปรบให้ชนะแล้วครอบครองชนบทนั้นๆั้นนี่แหละมหาบพิษสัตว์โลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มไม่เบื่อเป็นาธาตุของตันหาดูกน ร, ราชนมนุษย์ทั้งหลายพากันสแสวงหาสิ่งที่ยังไม่มี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 พระธรรมของพระผู้มีพระภาคเป็นสวากาตธรรมธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วโดยแท้